ขอความตุกมลเลินตามมาธรรมวินัยจงมีท่านผู้สนใจในธรรมะในตัวกันเรื่องของการฟังมีสองอย่างว่าฟังเทศกับฟังธรรมฟังเทศนั้นมักเป็นดิธีตตรองนั่งกระเพียบมเรียบร้อยมนมือแต่ฟังธรรมะฟังธรรมเพื่อหว่านธรรมนั้นส่วนนั่งเราจะใช้ในท่านั่งภาวนาเรียกว่าตั้มรวมขา เอาขาขวามาทับขาซ้ายเอามือขวามาทับมือซ้ายตั้งกายตรงตรงเป็นท่าปฏิบัติธรรมเราดูจากพุทธรูปน้อยใหญ่องค์ใหญ่องค์เล็กตามที่เป็นพุทธรูปแล้วซ้ายทับขวาไม่มีมีแต่ขวาทับซ้าย ทาในท่านั่งสมาธิเป็นท่าปฏิบัติธรรมอีกท่าหนึ่งเป็นท่าม า, านวิชัยชาวบ้านมักจะเรียกว่าปางตะลุงมานความจริงเป็นท่าม า, านวิชัยม า, าระจนมากมายถ้าพุทธเจ้าไม่มีพลังจิตพอมัทิตฐานใจไปแล้วอาจจะแพร่มารก็ได้แต่ขนาดนั้นยังเพียงว่า ขยับพาดขวามากํากับพระจงขวาไว้ไม่ยอมถอยเพราะท่านดิฐานที่ตั้งต้นว่าแม้เลือดเนื้อเลือดจะอื่นแท่งเลือดหนังใหเองก็กรมทีห้ามไม่รู้บอกทําแล้วจะไม่ถอยก่ามเพียนแสดงว่าจะไม่มีการถอยให้แพ้มาแต่เพียงว่ากํากับไว้รเปล่าไม่ยอมยกขึ้นถอยเป็นท่ามารวิชายชนะมาร นอกจากนั้นเรื่องของกว่าทับซ้ายหมายถึงอํานาจายสูงคมไว้ต่ําเรื่องของขาของมือจากนั้นจะมีทั้งรวมตาให้อีกถ้าผู้ฟังก็ทั้รวมปากในวาจาผู้สแสดงก็สแสดงโดยทั้งรวมในเรื่องการแสดงให้เป็นไปตามจังหวะครองธรรมทั้งรวมตานะั้นคือพระโลกพระองค์ ที่ผู้สร้างถูกต้องแล้วต้องสํารวมพระเนตรแล้วบอกว่าพุทธเจ้าเขายังสร้างให้สํารวมพระเนตรตามที่พุทธเจ้าทรงมีการสํารวมพระเนตรเมื่อพระองฆ์ทั้งหลายมีการสังรวมตาตามที่พุทธเจ้าพ่าทำแล้วปัญหกาก็จะน้อยแต่เมื่อไม่สังรวมตาแล้วมักจเจอใจใหญ่หญง่ายเพราะนั้น เมื่อไปตาไปเจอยายบ่อยเข้ายายก็ชวนกลับไปบ้านเรื่องประชากรไทยเราขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ถึงหกสิบแปด้านจะเข้าห9เก้าล้านแล้วประชา ก, กรพิศูนเราเรียกสองแสนําแสนดีนี้อยู่นีนคือําแสนนี่แหละอาตตาเฉรียละบวชใหม่ไม่ใช่น้อยแต่ศึกแทบหมด ไม่เคยเหลือเลยแดงว่าหมดเป็นพิทีรีตองไปแล้วถ้านนับวันไปนี้เรื่องศาสนาจึงจะต้องเรียวรงตามพุทธเจ้าทานายว่าศาสนาโดยแท้จริงนั้นไม่เรียวรงแต่มันเรียวโดยศรัทธาของมนุษย์ด้านหลังนี่เรื่องของการทำหากินเรื่องการศึกษาเรื่องการ แย่งตำแหน่งหน้าที่กันมันมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของการเบดเบียนกันเจิงจะทำให้ต่างคนต่างไร้ศินไร้ธรรมแล้วเมื่อต้องแย่งกันมา ก, กินแล้วเจึงต้องแข่งกันในการศึกษาไม่ก่อนนี้เราเรียนเพียงแค่ขั้น ปฐมมันยอมลงกระพอะทุกข์วนแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีเรียนชั้นมูลชั้นอนุบาลแล้วเรียนปฐมมันยอมนี้ต้องเรียนวิเศ์อีกแล้วทําให้คนเราเครียดมากขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าความสุขมนุษย์นี้อยู่ที่อะไรกันแน่ทั้งโลกเขาเรียกว่าอามิตรสุขเป็นความสุขสังอามิตร ก็มีกฎเกณฑ์หลไยเรื่างที่เป็นเรื่องของการศาึกษาก็ดีแต่ก่อนนั้นเรื่องการศึกษาบังคับของเด็กเรายังไม่โลมให้ไปบวชในของก็ได้เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาบังคับต้องผ่านการศึกษาบังคับอายุสามเทธ น, ธนีแล้วถึงจะไปบวชในได้แต่ก่อนนี้เรามีในเล็ ก, ก, กอายุสิบสอง ติดกบบระบอดาวนี้ต้องรอติ1เจ็ดิแดนี้เขาก็ไปแก่กล้าทางโลกมากแล้วพื้นฐานการงรวมก็น้อยบระ บ, บทธรรมะก็ชั่วคราวแต่ก่อนนี้สามเดือนเป็นพื้นเดี๋ยวนี้ก็สักสองเดือนหนึ่งเดือนก็เริ่มสึดกัแล้วนั้นนับวันว่าผู้ไม่สนใจธรรมะโดยสิ่งวันรอไม่อาหวยนี้นับวันไว้จะขาด เรื่องของสินทมไปสินทให้คืนมาโลกาก็ต้องวุ่นวายสินทาคืนมาโลกาก็ลมเย็นระหว่างสินรมกับความรู้ความเก่งนี้มีพระรามถามพุทธองค์ว่าในเรื่องของความเก่งกับความดีนี้เรื่องการศึกษากับเรื่องของสินทำในเรืองวกันพุทองค์ต้องให้พรามตอบก่อน ตาบอกว่าต้องเอาความเก่งขึ้นหน้าถิ้นทำตามหลังพระเจ้าบอกในเรื่องของทาครแล้วเรื่องของคนเก่งที่ถิ่นทา ม, มันตามหลังลนะั่นแหละถิ้นทำจะตามไม่ค่ทันเมื่อเก่งออกหน้าแล้วถิ้นทาตามตไม่ทันมันก็เลยฉลาดแกมโกงจึงเป็นปัญหาสังคมบ้านเมืองเรานั้นอดีตนั้นเป็น land of s m i l e ดินแดนความยิมแย้มเพราะคนไทยเรานับถือพุะธามาดั่งเดิมเรียกว่าเรื่องการเป็นชาวพุทธนั้นเชา้าละเดินบิณฑบาตยานโยมที่ตัาธาก็เตรียมอาหารถวายด้วยศรัทธาละไม่ใดไปร้องขออะไรแล้วก็ในหมู่บ้านมีสัก ติดกับลําคาญเลยก็ตามเพียงบ้านเล็กระน้อยไม่ต้องทุกวันก็ได้วันนี้บ้านโน่นทําวันนั้นบ้านนี้ทําเพียงพระไปขจารไปรอบอบ้านนี้ก็พอฉันแล้วชาวบ้านรับสารเมือ่อก็ธรรมดาต้องทํามานการพระวัานบ้านฉันสองเมือ่อก็ท่านมีธุรกิจเรื่องการค้าอะไรมากมายพระบ้านเราตัวใหญ่ได้ฉันเมื่อเดียว แล้วก็ชั้นง่ายๆชั้นในบาทชั้นมือเดียวแต่ว่ามีการนั่งสมาธิเินนกมมเป็นพื่อนก็เรียกว่าวัดบ้านนั้นเป็นวัดทางคันถัดุระมุ่งการศึกษาปริยัตตัวนบกป่าดันส่วนมากจะต้องมีการศึกษาพื้นฐานปริยัตมาตงคนแล้วศรัทธาในการบัรยึงมีการออกไปอยู่ตามวัดบ่าบัดง เพื่อบำเพ็ญทงนันวัฒนาทุนละคือมุ่งภาวนาผู้หนาโน้นถ้าเพื่อว่ามีความรู้ทางวิยาการมากก็ถ่ากบว่ารู้แผนที่ดีแต่ถ้าไม่มีการออกเดินตามแผนที่แล้วยังไงไงก็ถึงที่หมายถูกต้องไม่ได้และเมื่อมีการปฏิบัติออกเดินทาง ถ้าไม่รู้แผนที่เลยอายุนับีก็ได้นั้นสองอย่างนี้ในสมัยหลังนี้ก็จะคู่กันไปว่าประยัติเรียนรู้กงพีบัติีชริกิเลสไปเวท ร, รู้แล้จน้นทุกข์ความพ้นทุกข์ทางทางกายพุทธุทังโลกนั้นไม่มีทางเพราะอะไรลงท้ายเราก็จะแก่ขึ้นแล้วก็แก่ลงแล้วก็ป่วยน้อยป่วยหนักแล้วก็เตรืมแล้วก็สลาย ไม่เห็นมีใครที่จะพ้นแก่เจ็บตายไปได้เมื่อมีการเกิดแล้วเมื่อทุกคนไม่สนใจธรรมะธรรมนูนแล้วจริงมันจะไม่อยากคิดไม่อยากพูดไม่อกคุยถึงเรื่องความตายแต่มันแปลคัตฐานานี้พระองค์ทรงกําชับให้ชาวพุทธนั้นให้พิจารณาเสมอๆพิจารณาความตายสบายนักมันหักลักขงงังลงในสงสาร พันธามืดมอหันอันตรการทำให้หานให้รุ่งเรืใจก็ให้เห็นว่าอันนั้งขายนั้นอันนั้งหันทังไหลนั้นไม่เที่ยงสุดใบเบียงบ้านปลายต้นตายหนอจงทำนี้แต่บัด น, นี้อย่าดีรอดีพอ่อถูกพระานเอ้ยพันถือว่าเรื่องของความรู้นั้นยังเด่นกล้าก็ไปแช่หมดลมเพราะเป็นเรื่องนำมาซึ่งอวิสุข แต่เรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องแปลกว่าจิตใจที่ไม่มีรูปรังเรียอาศัยหลังจิตใจนี้เดินทางไกลมาจากชาติก่อนเรียกทุรังขมังมาชาตินี้ยังคิดนึกปรุงแต่งใบไหลบ้านไหลเมืองก็เรียกทุรังคมังตรงกระแสคิดนึกกันได้แม้ทิ้งร่างเก่าแล้วก็เดินทางมาถูงชาตินี้ แล้วแต่จะไปเกิดบ้านไหนเมืองไหนแด้ร่างกายนี้เรียกขูหาตะยังจิตนี้จะมาใส่ร่างกายนี้เป็นขูหาที่อยู่จนห่วว่าขูหานี้จะพังจิตก็เดินทุรังกำลังต่อไปขา้างหน้าจนกว่าจะถึงมรรคผลที่ผ่านีนเรื่องว่าแม้ว่าความสุขโรกีก็มีขนาดไหนก็ตามพอหมดลมแล้วทุกอย่างบันดามี ทรัพย์สนทั้งหลายหมดควาหมายญาติพี่น้องที่เคยไปเยี่ยมไปหาสู่ต่างแยกย้ายกันจากเป็นบ้างจากกายบ้างคนน้อยลงน้อยลงและร่างกายเราดูแลทัพยตายทางรับประารทานท้งแต่งตัวทั้งมีที่อยู่รู้ล้ามีทัำหยุดยาอะไรป้องกันมากมายทั้งทั้งหมอทั้งโพยาบาลดังแต่ลงท้ายก็ตายจนได้แม้โพยาบาลแม่หมอก็ดำ ก็เพียงว่าอยู่กันไประยะหนึ่งอันนี้พุทธาให้ความสุขกายเป็นความสุขทางด้านจิตใจเขาเรียกว่าสุขนี้เป็นเที่ยง่าวสุงยาวต้องพัฒนาจิตจิตนี้เขาต้องการพัฒนาเช่นเดียวกับกายเหมือนกันแต่ว่าจิตนี้เป็นของมองไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นว่าจิตเป็นยังไงฉะนั้น การธุกกิจจึงไม่เห็น ง, ง่ายการพัฒนาตถุนั้นเป็นเรื่องปัจจัยต่างๆจึงเห็นง่ายเยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังเข้าพรรษายังบันมาเารรษามาวันที่ส2รกลางนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ควรจะเข้าใจว่ารวบดชอของความูกพรรษานั้น มาลงเอยตรงที่พุทธธรรมนูนเป็นธรรมนูศาสนามีเพียงแค่สี่เมตดดาใหญ่เรียกว่าไอรร้สัตว์สีความจริงนั้นมีหลายระดับความจริงนั้นสมมุติเจน่นชื่อเสียงเรียงนามเป็นทีโอทีก็นี้ชื่อน้องชีรีก็เป็นสมมุติความจริงบัญญตัติบัญญัติว่าศิ้มีห้านะเรื่องของมักมีแปดนะ เรื่องของบรมีมีทิบนะเป็นบัญญัติเรื่องของปัจจะที่วางเกณฑ์ไว้มีหมวดนี้หมวดอย่างกนณีแล้วก็เป็นเรื่องของไอตัจจะไปเรื่องความจริงอันประเสริฐถัดไปก็เป็นเรื่องนิพพานตัจจะอะไรนี้ความจริงของนิพพานเพรา ะ, ะนั่นเราเห็นว่าพุทธานี้มีพุทธมูลคือไอตัจจะนี้ มาตั้งแต่สมัยพทธเจ้าตัดรู้ม่เรียกว่า 2,600 ปีแล้วคือตั้งแต่พระนัตรู้ไม่ใช่มาเริ่มนับข้อสอนตรงพรเจ้ า, านิพพานแต่เริ่มมีธรรมรนูรธรรานี้มีเรื่องของไอัตีนี้มาตั้งแต่ตัดรู้แล้วพิษกับรัตนธรรมนี้เรา ไม่รู้กี่ฉบับซิบกี่ยวบับแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาจนนี้ก็ยังมีการร่างกันใหม่เปลี่ยนกันใหม่พุทธเจ้าเป็นบารมีครูเป็นพระวันสตาราตัศรุมดกิเลสเขาเห็นได้ผ่านแล้วไม่มีคติไม่มีความรู้หลงมีความรู้จริง มันญยัิเพียงสี่มาตราคือทุกมาตราหนึ่งมูลทายมาตราหนึ่งนิโรธมาตราหนึ่งมาตราหนึ่งขายายไปเพียงว่แค่ทุกมีองค์ประกอบที่เปิดระการตะมูไทยองค์ประกอบสามประการเรื่องของนิโรธเพียงอันเดียวส่วนเดียวนิโรธประการเดียวส่วนนักไม่แบบประการแ ล, าแล้วตั้งพุทธเจ้ามันญยัดไว้แล้ว จนเดี๋ยวนี้ยังเป็นความจริงที่ไม่ใช่ของไทยหรือของใครจะเป็นจีนแสกไทพลรังเอาหลักของพุทธานาพุทธธรรมนุนนีจับแล้วไม่ว่าจีนแสกไทยฝรังทำชั่วเป็นไปตามตัณหาแลวคนเอเชียลีเล็งลว่าทุกต้องเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วขยายเป็นทุก ทางกายทุกทางตําแหน่งหน้าที่ทุกทางความเป็นโยมเพราะว่ามันมีสมุทัยคือตัณหาและคนดิจิเลตตัณหานั้นสามตาตคีทุกที่เวลาอะไรบ้างไม่ใช่กายเจ็บตายเป็นทุกข์เฉยมันเริ่มต้นจากความเกิดทีเดียวที่เราเกิดมานเพราะเรายังไม่หมดกิเลสนั้นไม่ว่าเราจะไมไ่ต่างกันก็ดี แต่การยังไม่ติ้งกิเลสติ้งอันนี้ยังไปสามัญนะรับพวกเราซึ่งเป็นมุลชนทุกนี้ไม่ได ป, ประการชาดวิรข า, ค, าความเกิดเป็นทุกชาตวิรข า, ค, าความแก่เป็นทุก์ชาดวิรขาชาดวิร า, า, า, ร า, ามอนํามพิจุขังความตายเป็นทุก์โศกะความสงเศร้าปิเทวะความร้องไห้ลำพัน ทุกข์คทุกข์กายเจ็บนั่นปวดนี่เขานั้นทุกใจเสียวคือใจนะั่นไม่พอใจนั่นนี่ตรงนั้นอุปยาตความกระเพนใจมันอยากจะได้ทำหนังนี้ไม่ได้มันขับใจเรือเกินอยากจะทำนั่นเขาไม่ทำนะขับใจเรื่อยเกินเนี่ยมันขับใจเนี่ยวาย า, ใใาตแล้วก็อาวอียตมิโยโขเราไปอยู่ร่วม สิ่งที่เราไม่ชอบได้ตำแหน่งไม่ถูกใจได้คู่ครองเปลี่ยนใจไม่ถูกใจได้ลูกไม่ถูกกรรมในจใจเจ้าที่ชอบใจไม่ถูกใจก็เกิดเป็นทุกข์กันมาได้อะไรที่ไม่ถูกใจนุ ก, กแล้วก็เรียบกเรียกว่าการพัดพรากจากของนักข้าใจเป็นทุกข์ ที่เป็นทุกข์กันมากนั้นคือเคยมีพัน ญ, ญาที่รักมีทั้มีรักเกิดพลันล่างจากไปทุกเป็นไอ้ทุกข์ที่จากเป็นเป็นก็ทุกเรียกว่าไม่ความไม่พอใจกันเลิกกันไปไร น, นอกใจกันไปแล้วจางตายจางตายเนี่ก็ทุกข์มากเหมือนกันยิ้วๆกันมาถูกวันเหตุทางรถบังถูกกระารามันยิง ต้องรับประคันอะไรบ้างคือเป็นคําจากที่เรียกว่ามีความทุกข์อย่างเรียกว่าแต่แต่คนเจอเรียนรู้ว่ามันเป็นความทุกข์ที่แก้ยากเรียกว่าอยู่แล้วพอพักห่าจากกันไปยิ่งได้ราบแล้วเสริมราบยศเสริมยศน้งเดินแล้วก็ดินธาตุเนี่ยแดงเมื่อมันเราต้องงานจบมันเกิดทุกข์กันมาหม่พอใจแล้ว นี่เเรียกว่ารูปยอดจอมพยยินนึ่งเขาเรียกว่าอาย้ำไม่ชั่งนาไม่ทาเป็นถังการปรนนาใดไม่สําเร็จตามความปรารถนาก็เป็นทุกข์ฉะั้นคนเหล่านี้ความปรารถนานี่มันจะมีดีๆที่ต้องการเยอะแยะไม่ไหวจะเป็นเรื่องการศึกษารเรื่องการทํางานเรื่องตําแหน่งหน้าที่ไรายได้หรือทำความดีกับข้อง แล้วศาสนาแต่มันไม่สมศาสนานี้ก็ทํานาเราทใจไม่ได้เรต้องทุกข์พุทธเจ้า ร, รูปยอดว่าคือว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับขันห้าเป็นทุกข์คือตัวนี้เป็นส่วนที่เป็นกลุ่มเป็นกอเนี่ว่าเป็นขันขันนัเรียกเป็นกองหรือเป็นก้อน มีห้าห้ากองคือรูปเวทนาตั้งขันยานรูปเวทนาตั้งขันยา น, นี้มีที่ทุกข์ก็คือว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงเรื่องสั้งขานร่างกายเราอยากให้แข็งแรงมันก็ไม่แน่อยากให้สวงามอยู่มันก็ไม่แน่มันไม่เทีย่ยงเวทนา เมื่อมันถุกแล้วอยากให้ถูกขึ้นอย่างเดิมมันก็ไม่แน่มันจะทุกข์แล้วบังกาแฟปวนไปอย่างนั้นอย่างนี้สัญญาความจําเราเคยจําอะไรดีบางทีเมื่ออายุมากขึ้นความจําจะเสื่อมไปอัน ท, ทีเมื่อกินก็ยิ่งแย่ใหญ่เรียกว่าความจําก็ไม่เที่ยงแล้วก็สังขานความคิดดังแต่ก่อนมีความคิ็ดเจ็ดแหลมแต่บางครั้งมันเข้า ไม่ค่อยใช้สมองบ้างไม่ค่อยอ่านธรรมธรมโมเลยบ้างเลยเรื่องความคิดก็เลยคิดอะไรไม่เคยถูกต้องตามหของทําบ้างคิดไม่ออกบ้างแล้วความรู้รู้ทางรู้เสียง ร, รั ม, มน์นี้เรียกว่าเป็นเรื่องของวิญญาณทั้งห้ากองนี้ห้ากรมนี้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ให้เราเห็นตามจริงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนไม่ได้แล้วก็นัดตามขัาจชาไม่ได้ถ้าเรายังไม่พัฒนาจิตแล้วมัก็ยึดมันม่นถือมั่นว่าร่างให้เราเที่ยงลูกเที่ยงตร น, นี้ไปทาง น, นทางา น, นเที่ยงแล้วก็อยากให้มันคงที่อยู่พุทธเจ้าบอกว่ามันนัดตามขัาจชาไม่ได้ถ้าเราไปคืนคืนธรรมะของท่านแล้ว มันก็ต้องกลายเป็นว่าความจริงเขาไม่เที่ยงแล้วอย่างเที่ยงมันก็ทุกข์ไว้แล้วกับเราดิมันทุกข์ทนไม่ได้แล้วให้มันตกตลอดไปแล้วเขฝืนมันก็ทุกข์เราที่เร า, ามันน่าต่างทําบอยากไม่ได้แล้วทําใจไม่ได้มันก็ทุกข์นั้นเรื่องที่เราถางนี้หละรูปยอดมาเป็นเรื่องของโลกธรรมที่เราครอบคราบเราอยู่ว่าลาบแล้วก็ได้ลาบแล้วก็เสื่อมลาบในยอดต่ยอดทันเดินดาถลุก แล้วเขาอยากจะได้ลาบยศนั้นลายศนั้นทุกแต่เมื่อตามธรรมชาติธรรมดาเขามันมีการเปลี่ยนแปลงไปปวนแล้วถ้าทำใจไม่ได้แล้วก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ภายนอกหรือมั น, นเปในใจตามใจเราแล้วใจําใจไม่ได้ก็เลยทุกข์งต่อก็เลยคนในโลกนี้จึงมีปัญหาเยอะ แต่ว่าท้งพุทธานี้โดยการบำณฑาธรรมุทานี้ถ้าแก่กล้าแล้วเช่นท่านบอกว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เห็นตามจริงคือรู้กายรู้จิตตามจริงแล้วรู้ว่ากายนี้ไปทานงานี้มันไม่เที่ยงแล้วก็รู้ตามจริงแล้วแล้วก็ปรับรงไปว่าโลกทำมันครอบ ง, งมเรา แต่เราทำใจสงบผ่อผงใสถึงสิ่งนั้นมันจะแปรปรวนไปแต่ใจเรารู้เท่ารู้ทันมันก็ดักเป็นเบาจนกว่าว่ละตะคดิทีคือไม่ยึดมัน่นตัวตนเราเขาเลยก็ในเมื่อตัวเราก็ยังไม่เห็่นตัวเรายึดมั่นได้แล้วของเรามันจะเอาแน่ที่ไหนแล้วะี่เป็นลูกเรา กองเราสมบัติเรามันก็เมื่อโตเรามันไม่เที่ยงแล้วทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงก็ธรรมดาแล้วมันก็มันค้ำชาไม่ได้ตามหลักของไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์พ้นไม่ได้แก่ปวนไปค้ำชาไม่ได้ด้วยการทําใจนี่แหละที่เรียกว่าประหยัดเนี่ยเราจะรู้แผนที่ชีวิตอะไก็ตามทีแต่ไม่มาฝึกทั้งนั้นจิตใจแล้วจิตใจไม่สงบพอ มันก็หวั่นไหวง่ายจิตใจไม่สงบมันก็พลอยเชื่อตัวเองยิ่งกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วก็เลยว่าเอาเรื่องความเก่งออกหน้าเอาคําดีตามหลังปัญหาผ ม, ก, มาก็เลยมากพราะด้วยความเก่งนี้มันไม่มีการจบเรื่องเก่งนี้มันจะมีหลาอย่างเรื่องการหนักบ้างการทํางานบ้างท่านหนึงหน้าพี่มาเ่าเรื่ง ความเก่งนี้เมื่อเก่งมากแล้วจึงมีอัตราใหญ่นั่นแต่ก่อนก็ได้ยินกันในข่าวว่าเด็กที่มันตอบทีห น, นึ่งได้เรื่อยๆเนี่ยพอมันตอบไม่ได้ทีหนึ่งได้ที่2องที่สาที่โหลนี้มันคาดตายรื่อเลยมันทำใจไม่ได้แม้ใครที่เก่งๆเนี่ยเป็นนักมีนาเก่งก็ดีคลางานเก่งก็ดี เส่อนใหญ่อัตราจะใหญ่ตามเวดมนต์หรือมัน่นว่าฉันนี่คนเก่งมันก็เลยปัญหาใหญ่เลยแต่ถ้าเอาดีมาเติมเมื่อมีตัวดีแล้วเราก็รู้ว่าเออไม่เห็นเราเก่งคนเดียวคนหนึ่งเขาเก่งอย่างเราก็ได้เก่งเราก็ได้แล้วก็พอตรงไปเรื่องเขาจะดังสูงก็เราก็ธรรมดาเราเป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธที่มีการบัตรธรรมแล้ว แล้วก็พอใจตำมีที่ทําได้ก็แทนที่อิจฉาเขากับโมทนาเขาเออเขาเก่งกว่าเราเขาตําแหน่งสูงกว่าเรารายได้มากแล้วน้าที่มากก็มีอานาจมากของเราเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไปทุกข์กับเรื่องที่มีขึ้นในโรงของตังกมแต่จะมีการโผล่กระแ่ไปตัวว่าถ้าเรามันไม่เก่ง พอขีดอกคานแล้วเขาต้องแก้ไขเราไม่รวยเพราะชายใหญ่พุ่มเคยต้องแก้ไขเรามีชีวิตปัญหาอะไรชอบติดใจไปมุกถ้าเป็นไรไม่ดีแล้วท่านให้เรามาละทุกหนที่มีค้ำทุกอย่างพวกพันธุ์รากต่างๆนั่นเราจะไปแก้เรื่องภายนอกนั้นท่านบอกว่ามันแก้ได้แต่ไม่จบ ถ้าแก่มาธีหมูไทยตัวอยากเนี่ยมันมีตัวยากแขวงอยู่ตัวอยากมันออยอตาอากออยากแต่มันมียากอยู่ในตัวอยากถ้าอยากมันใหญ่ตัวยากมันก็ใหญ่โตตามถ้าอยากมันเล็กลงตัวยากก็เล็กลงพระหันเราไม่อยากแล้วไม่ทะยานอยากแล้วตัวยากมันก็ไม่มีด้วยนั่น มีรูกศิษเขาบอกเห็นหลวงปูแถ้าก่อนนั้นท่านยังรู้ด่าว่าการลูกศิษ์หรือบ้างอะไรต่างเพาแก่ลงแก่ลงรู้ป่ะน่าดายยิ้มยิย้มยำไสมากขึ้นในขันดวนลูกศิษย์แล้วคือว่าเป็นไงละ่ะเขาก่อนนั้นเรายังอยากให้ลูกศิษย์ดีบ้างจึงมีคอยกดขันเพรานี้เมื่อเรามันดีมากขึ้นนีออ่ยเขาก็อยากดีอย่างเขาเนี่ยไปคเคี่ยวเค็ง้วเร้ามากไง แล้วก็สอนเขาเท่าที่สอนแล้วเขาได้แค่ไหนเราก็อย่าไปเดือดร้อนขอเขามากนั้นเมื่อแก่หนข้าแล้วนอกจากความแก่แล้วจิตใจท่านตรงตกว่าเออเขาได้ขนาดนั้นก็ดีของเขาแล้วแล้วอย่าไปเขยวเข็อะไรเขามากมายเพราะจะเบื่อไปงั้นแล้วอาจารย์ที่มีความอยากให้ลูกิษ์ดีเนี่ยบางทีเขี้ยวเข็นลูกศิษ์มากเกินไปเกิดปัญหามีกัน ตีกันไม่อะไรกันก็เพิ่มปัญหาอันนั้นแสยงว่าอ๋อไอ้ตัวปัญหานี่มันเกิดจากตัณหาและคนี่กิเลสโล ก, กดหลงกิเลสบังคับจิตความที่ดิเรกบังคับกายวิบากร้ายจิตบังคับชะตา ก, กรรมทุกอย่างที่เป็นกิเลสัญหา น, นี้มันจะเป็นเหตุนำให้เกิดทุกข์อย่างที่กล่าวแล้ว เราทั้งหลายที่เกิดมามีทุกข์ทุกนี้เพราะอะไรเพราะยังไม่หมดกิเลสแต่อย่างน้อยเรามาฟังเทศทน์รำธรรมนี้และพยายามปฏบตามรู้จ้าแสดงไว้อย่างน้อยตัวสุไทยเราลดลงตัวทุกข์ก็ต้องลดลงเกิดในโลกขึ้นมาตามส่วนของที่ปัญหามันลดลงทุกน้อยลงในโลกเดินขึ้น แต่ถ้าพุทธเจ้าไม่สแสดงมรรคองแบบแล้วสแสดงได้เพียงว่าทุกเกิดจากสมุทัยถ้าทุกรถ เ, เกิดในโลกนี้มาตามตัวแต่เพราะว่าพุทธเจ้าสแสดงมรรคองแบบไว้ขะนั้นเมื่อเวทศานิชาครพเดินทางหาสังวหาผู้มืคุณธรรมไปพบอาตชิเห็นถ้าทีท่านมีคำต้องระวัง หน้าตาสงไถ่ดีจึงเป็นคนบำบัดตอนท่านเป็นบำบัดพอฉันอ่านเรียบร้อยนี้ดูแลเรียบร้อยแล้วจึงขอโอกาสถามว่าอินทีท่านองไถ่หน้าตาท่านองแรงแรงเนี่ยท่านเป็ น, ป น, ป น, ดด น, นลูกศิษย์ของใครใครตาดดาวท่านพี่ก็แทำของตาราทังร่างอะไรบ้างที่บอกว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ขุนเจ้าเราถานี้พระธรรมนัเจ้านี้ปกติท่านจะแทนพ อ, อวาดว่าเยธมาให้ตปรวาเตยให้ตุนท้าตัวเหนจะโยนโรจะเอวังวดีมหาสมาทรมีความหมายว่าทำทั้งหลายไม่เหตุแดงเกิดรสทธนแสดงเหตุของทำหลบนั้นแล ะ, สะแสดงเหตุของความดับทำหลบนั้นปกติ กือธรมเจ้ า, า, จาของเราจะทำอย่างนี้วิสายังเป็นมุญชนอยู่เพียงฟังธรรมะประโยชน์เดียวเท่านั้นที่ฟังที่ว่างาเนี้ยไม่ทราบ อ, อย่างไรจิตบรรลุทำขั้นต้นไม่ดวงตาเห็นธรรมที่เรียกว่าเป็นพระโตรบันหมายถึงว่าเข้าใจเรื่องการเกิดการดับ ที่ได้เกิดขึ้นในธรรม า, าแล้วรู้ชัดว่าเรื่องของชีวิตนั้นเรื่องของตัวเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยไม่ใช่ตัวตนเราเขาจริงแล้ะสายที้ได้แล้วไม่สงสัยเรื่องกฎงกรรมไม่สงสัยเรื่องเวทแต่เกิดไม่สงสัยพิธังเวลาแล้วก็ไม่ติดที่ร้องในต่างพิธีร้อง น, นัเรื่องของหมู่คณะที่ มีการชมนรมกันข้างบนคราวเมื่อท่านฟังแค่นี้มันรูตดวงตาที่ทำเป็นพิะเจ้าทันทีเนี่ยเป็นเรื่องแปลกแต่ที่ไม่แปลกคือว่ากว่าท่านจะฟังธรรมเพียงแค่นี้บรรุธรรมนี้ท่านเคยบาเพ็ญบารมีตั้งสมอินทรมาแก่กล้ามาชิยน้อยแล้วและปะัญหาที่เป็นสังพก ฝ่ายความพุทธิจัตุรท์ทำดิและเมื่อมาเล่าให้เพื่อนของที่ว่าเป็นพุทิจัเนี่ยฟังแล้วเอาข้อความอย่างตะกี้นี่ไปเล่าฟังพุทธิจก็เกิดตรงฐานธรรมรู้ธรรมชั้นต้นเหมือนกันเป็นธุรมาเหมือนกันั้งนอปลาก็มีความถูกใจระดับที่เรียกว่าไม่ผันเปลี่ยนแปลงแล้วจึงมุ่งหวังความดี ต้หวังดีต่ออาจารย์ตนเองสนใจปิญญาชกไปเรียนของรัการอาจารย์แล้วเชิญให้อาจารย์ไปหาพระเจ้าด้วยกันว่านี้พระเจ้าบังเกิดแล้วมีถาวรกเป็นพระหลานแยถ้าไปเป็นถาวรพระเจ้าได้สมรรถะธรรมอัน น, น, นี้กทั้งอย่างหนึง่งแต่อาจารย์นั้นเกิดที่ดีวณนะกล บ, บอกว่า ใครฉลาดไปหาพระเจ้าแล้วกันเราเป็นอาจารย์คนร่วงหวัเราเยอะแยะเราไม่อดละเลยคิดเพียงว่ามีลูกศิษย์มากเป็นมนุร่วหวังท่านใครฉลาดไปหาพระเจ้าแล้วกันนั่นอุตส่าครับอาหงละตสนใจอาจารย์จพระเจ้าตอนเราจะเป็นพระเราโบกขึ้นมาซึ่งตังใจก็เพียง ไม่เ บ, บาบางเพียงแค่นั้นก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ใหญ่อภิเสกขึ้นมาเท่าไรก็เพราะว่าที่ดีมณฑนะ์มันบังอยู่เหมือนกันน่นให้เข้าใจว่าเรื่องของคนเรานั้นถ้ า, าตาใหญ่ปัญหามันก็ยังจะมากอยู่ตะกี้นี้บอกว่าคนเราก็ดีด้วยกันนะเนื้อหนังก็เหมือนเหมือนกันใจิตใจเหมือนกันแต่มันต่าง ก, กับติเกเลสเข้ามาครอบงำ ท่านพุาเขเรียกว่าให้พัฒนาจิตใจขึ้นมาเอาบุญบารมีมาส่งเสริมจิตเอาความสุชีิตส่งเสริมกายความผ่งใสก็จะมาส่งเสริมวิชากรรมของเราพู้หนาจะแสดงถึงเหตุและผลเมื่อเหตุไปไม่ดีมันก็ต้องเกิดผลไม่ดีคือทุกอ์ยากภัยเวนเมื่อจ้องการที่จะเกิดตุกคเคนทุกข์ก็ต้องมาทางเหตุดีตรงนี้ที่ว่า เราเพิง่งเติมคำพูดนี้จึงต้องใส่ใจในเรื่องอายุวัของท่านเพราะเป็นข้อธรรมที่ประมวลออกมาเพียงแปดประการที่จะทำให้เราเอาคุณธรรมแปดประการที่ฝึกแล้วนี้มาทำละเหมไทยที่พระอาิตย์อ่าเล่าให้ฟังนั้นพระเบรบุกรกับเทมโอกราณบรรลธรรมเพะอะไร เพราะท่านคงควเป็นพระพุนิรันดร์นี้เป็นคําสอนพระเจ้าในอนนดีผ่านมาหลายองค์แล้วแต่จะมีการตั้งศาสนาเป็นยุคเป็นยุคยุคเราก็เรียกเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคหนึ่งของศาสนาที่เรียกว่ามีพระเจ้าห้าพระอ ง, งค์พระกุศลโทรพระโกนารคมกคัตโธเพราะเราอยู่ยุคปัจจุบัน้ า, ามดม ซึ่งแม้พุทธองค์รงรับมาคำไปแล้วแต่ยังธรรมะแตงอยู่เรียกเป็นพระตกับแต่ยังมีองค์นึงอยู่ในกับเดียวเขเนี่ยพระตกับเนี่ยคือทำเนียรก่อนว่าทางข้างหน้าเมื่อโลกเรานี้ยมันเกิดพุ่นวายเพราะคนเราอะไรที่ทำแล้วฆ่ากันตายจนขั้งเหลือน้อยลงน้อยลงแล้วจริงจะเริ่มจำนึกขึ้นะว่าอ๋อแล้วมาฆ่ากันเรื่องอะไรกันเนี่ยจะแย่งอะไรกันเดินดานก็แย่งกันตั้ง มันกว้างขวางไม่มีที่จะอยู่มากมายอาหารก็เรื่องของผู้คนน้อยลงก็อาหารมันก็จะเพราะอะไรก็ทำนั้นจนกว่ายะเหลือน้อยแล้วถึงจะสำนึกว่าวเราไปเบียนกันข่ากันเนี่ยล้มตายเหลือน้อยแล้วจึงจะค่อยสำนึกแล้วค่อยพัฒนาจิ้งทำขึ้นมาจนทั้งอายุไขก็ยืนขึ้นจิ้งทำประเด็นขึ้นจ น, นทั้ง ถึงในยุคหนึ่งที่จะเป็นยุคของพระสิยาไมตรายอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตำนานศาสนาซึ่งมีบุคคลที่เชี่ยวชาญพุทธนานี้ท่านยอมรับว่าเรื่องพุทธนานี้เขามีทางที่เป็นคำพีที่สือมาจากโบราณอย่างหนึง่งมีผู้รู้ที่บรรลุโลกทรแล้วรู้ยิ่งเห็นจริงแสดงไว้ว่า เรื่องศาถนาข้อเช่นเดียวกับของอื่นว่าเกิดขึ้นต่างอยู่ค่อยๆเสริมไปแล้วก็หลาหลายแม้เรื่องจุดิตอเราก็เกิดขึ้นแับไปแม่ศานานี้ก็เหมือนกันเลี้ยวไปเรียนเลี้ยวโรงในโรงนี้แม้ว่าคนตนใหญ่จะไม่ส่ใจคนในใหญ่จะวุ่นวายกันในโลกนี้ไม่การเขียนข้ากันไหนบ้านหลยเมืองมันเราก็ เพิ่งจะค่อยเรียบร้อยกันมาแต่จะไปแค่ไหนก็อยู่ในกฎแห่งกรรมเนี่ยแหละถึงไงก็ให้เราขนขวายมันเป็นตามระยะของแปดไว้พุทธิบรรดาเห็นชอบสรรมตะกั่วความคิดชอบสมัมมาวาจาการพูดจาชอบสมัมมากรรมโตกันดำชอบอาชีวอาชีพชอบวายโมคามเวียนชอบสมัมมาสตินึกชอบ แล้วาสมาธิจิตมันชอบเพียงแปดประการนี้ย่นย่อมาเพียงสามข้อใหญ่คือปัญญาเห็นชอบการความชอบนี้จัดเป็นพวกปัญญาเที่ยงต่ออาศัยการฟังการไข่ควรการภาวนาทีสองคือเป็นเรื่องของศีลหรือว่าจากวาจารชอบการธรําชอบอาชีพชอบนี้เป็นศีลทีสามข้อเป็นสมาธิ ความเพียรชอบจิตตมาสทิให้ชอบจิตตะมาชอบนี้เป็นมารที่นั้นเราสาหรับที่การที่สนใจพุทธนามากบ้างน้อยบ้างนี้อย่างน้อยให้เป็นคนมีปัญญาคือชอบศึกษาธรรมัฒน์ทำอยู่เสมอเสมอแล้วจะเข้าใจอย่างน้อยก็จะมีธรรมนิธิคือรู้อะไรผิดรู้ถูกจากนั้นแล้วเรารู้ว่า ให้การเบียดเบียนเป็นโทษไร้ศีลธรรมแล้วก็มาทางด้านมีศีลไม่ทำด้วยศีลธรรมนั้นในวินัยพระมีมากมายกระทำทีย่นย่อมาเรื่องศีเรียนเพียงสิบศีลผู้ที่พุ่งเป็นใกล้ชิดราไดก็มีแปดศีลของพวกเราเนี่เพียงเฉพาะห้าข้อเท่งนั้นละเพียงห้าข้อนี่รักษาให้สมบูรณ์รับรองว่าพุทธเจ้ารับรองเองว่า สีเลสุกันติสินทําให้เกิดความสุขสีเลพอธรรมธาศินทําให้เกิดพระรกุศลมั่นคงที่ได้ด้ปัญติศินพาให้หมดกันเลยเขาเขียนผ่านได้เพราะถ้าเบื่าใครจะทำสมาธิปัญญานี้ถ้าศินไม่ดีพอสินดั่งร้อยสินขาดแล้วก็จะไม่สามารถจะเจริญวมาธิเจริญบัฒนานได้ นั่นแสนว่าผู้ใดหวังดีทวิแล้วคุณรัาติดไว้แล้วตินี้ท่านรองว่าเรื่องของคนเราเนี่ยมันก็มีความแก่จะตายธรรมดาแต่ว่าความเก่งทั้งหลายความรวยทั้งหลายควา ม, มาอำนาจอิจตาทั้งหลายไม่สามารถรับประกันที่จะตกไปสูุ่สติวนรกป้องกันไม่ได้แน่นอน แต่ศีลที่รักษาดีแล้วนั้นจะปิดกั้นอบอายภูมิศีลรักษาดีแล้วจะไม่ตกคุกได้ยากแม้ในโลกนี้เราพูดถึงมีศีลก็จะเห็นได้ ว, ว่าปัญหาเวีย์น้อยลงและถ้าเบือรักษาศีนให้ดีๆอนาคตชาตินี้ก็รู้ว่าเมื่อเรายังมีให้อยู่วันนั้หนหน้าที่เรามีศีลดีนี้ปัญหาจะไม่มาก คนปัญหามากนั้นให้ไปจับดูแลกันว่าเมื่อทินทําให้ดีแล้วเรื่องผิษกฎหมายก็ตามตัวมาเพราะทินทําให้ดีแล้วไอ้เรื่องมีเบียนสัตว์มันก็ง่ายเมื่อขัดใจเราอาจทําร้ายทําลา ย, ลายเข็นก้าง่ายๆแต่เมื่อเราเรียกว่าอยากจะรวยทางลัดก็คอยช่อหัดบางหลวงบางโกงกับอบังขโมยกับบังฝนกับบัง เมื่อตนเองไม่มีขอบเขตในเรื่องถนนี้ครอบครัวแล้วอาจรู้เกินใครก็ได้ลองเกินครอบครัวเขาหรือพูดไปทุกคนก็ได้หรือว่าเมื่อเราไม่มีติดแล้วต้องการพูดถึงอะไรก็หลอกลวมก็โขโห่ก็แล้วทั้งกลมเราตั้งแต่เด็กหนุ่มยังไม่ทํามีรายได้มีเงินพอมาหายไปก็นะไรกินเข้าวเย็นกันวันนี้เอาเบียร์มาตั้งเอาเหล้ามาดื่มกันแล้วเรื่องของเด็กติดต้งองก็ เป็นเงาดำตัวมาแต่ถ้าเรารักษาสินตั ว, ตวเดียวคือว่ามีสินจะเป็นศิห้าสินแปดสิน 8, สินสจรษาดีแล้วสินจะรักษาลงตอบแทนดังนั้นเมื่อมีปัญญาดีในฟังแล้ว mm hmm. ก็ควรจะเห็นว่ารักษาสินนี้เป็นการรักษาเราเองไอรักษาภายนอกนี้คนเข้าใจว่า ก็าดสนคือควบคุมไม่เบียเขาความจริงไม่เป็นเขานั้นเป็นเรื่องเพื่อเราจะได้ไม่ทำให้ตัวเราตกต่ำเสียหายไปแล้วเมื่อไม่สินแล้วการทำทีนี้ก็ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าเรื่องของอทีนั้นอยู่ที่ว่าจิตเป็นท่านรู้เอามากำหนดที่งาน ทางโลกเราทำงานในการนั้นก็เป็นงานของการทำเราด้วยจิตตั้งความรู้ของวิตว่าไปตามทางโลกแต่เมื่อมาธรรมะแล้วเขาเรียกกรรมฐานเป็นงานพัฒนาจิตจะมีประมาณ4ี่ิบอย่างเป็นกสินเวนปฏิมาริตติเมตเตติแต่นิยมกันนั้นพุทคธตรงพิจารณาลมหายใจเรียกว่าอาณาปาติจิต มากํหมมาหนดรู้ที่ลมหาใจสติแล้เลือกอยู่ที่ลมหายใจยะกำล บ, บรู้ที่ลมหาใจถ้าจิตมารู้ที่กายเรียกว า, กา ย, ยาติมารู้ที่ผมเลือหนังหรือกระดูกหรือเกี่ยกวกับเรื่องของสังขารร่างกายใดก็เป็นกายยาติถ้ามากำหนดที่พุทโธเรียกว่าพุทธาติกําหนดทําโมธรร ม, มติทั้งโก บางทีนเนี่ยคำถานหลายอย่างาจริงแต่เขาถือกันว่าลมใจอน า, นาปาสีนี้เป็นยอดำคำมฐานเรือเรียกว่าคำมัฐานที่เราเป็นน้องอนาปาพุทธองค์ก็ทรงกำหนดลมใจนี้เอาจิตมันโลที่ใจสมองตัวเองก็รู้ว่านี่ลมเข้ารลมออกลมนี้ไม่เห็นด้วยตาไม่ได้นในเสียงไม่ได้หูแต่ต้องรู้ด้วยจิต ลมเขาไม่ลืมเราเขาออกทุกเวลาถ้าเราเอาจิตมารู้ลมแล้วจิตเราอยู่ครับลมมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปอื่นไม่ไมอาจจะไม่ฟุ้งซ่านไปบ้างก็กลังกลับลังกลับนานเข้าก็จะไม่เครื่องอยู่คือเราไม่ใจเขาออกหรือคำนั้นหนึ่นก็ตามเมื่อจิตมีควาสมสงบแล้วถ้าทําแจ่กล้าก็จะเกิดเป็นสมาธิ ใหม่ๆก็เรียกสงกบเล็กน้อยแล้วใครบรรยากาศสมาธิถ้านั่งไปสงบมากขึ้นโดนน้ำเดาเรียกว่าเรื่องของสามารนั่งในคนเป็นเครื่งองยมงขึ้นไปนี้ก็เหมือนก็เป็นเวลาสมาธิถ้าแก่กล้าแล้วนั่งไปเจ้ามวโม ง, จ, ง, จ, ง, จ, งจิตปล่อยวางเรื่องกรรมฐานแต่รู้อยู่กับเรื่องของกรรมฐานชั่วยะแล้วก็ ปล่อยวากรรมฐานก็อยู่ที่จิตที่สงบอย่างยิ่งเรื่องว่ากายเบาจิตเบาเกิดมีความรู้อย่างจริงจังขึ้นมาว่ากลายเป็นตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งนี่ชัดเจนขึ้นเร่งรู้ว่ายังไม่หมดเลยก็จะได้มีการค้นขวายชาระโดยการให้ทานบ่อยๆตัวโรค ก, ก็จางลงรักษาทีนบ่อยตัวโกรธก็ น, น้อยลง ระบายตัวหลงก็น้อยลงเมื่อจิตมีความรู้ว่าความถูกข้ยอย่างนั้นอยู่ที่การลดตัวอยากตัวตันหาตัวอยากมันน้อยลงตัวอยากก็น้อยลงกีเรศตัณหามันน้อยลงตัวความทุกข์ก็น้อยล ง, ย ก, ก, ก, นนยลงก็เมื่อเราต้องการพ้นรุกแล้วให้เห็นว่าความพรนกทางวัตถุใจบมดลมก็หมดความหมายแล้วมีญาติในคุ้มครอง เขาก็จักไปไม่ได้ก็ช้าหรือรองท้ายระหว่างพึ่งกายกายก็รับรับสำคัญไปจะหวังพึ่งใครได้หร่ะนั้นที่พึ่งแล้วมันมีพระพุทธธรรมสงเป็นที่พึ่องอันตรเสร็จเข้าไปเจ้าพึ่งพระเจ้าพึ่องอะไรเขาเพึ่งคุณท่านน้อม ค, คุณเจ้ามากรุณ า, า, ารรกรบาบฐานบริสุทธิ์กระลั้นาธิน ปัญญาก็ภาวนาพึ่งคุณพระธรรมก็น้อมมาร่าชั่วไม่เบียดเบียนใครก็เป็นตีนทำกรรมดีน้อมมาทำประโยชน์ต่างๆจะเป็นทานทำดีตรองไายก็เป็นอานาก็เป็นเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาน้อมคุณพระสงฆ์มาเป็ น, ป น, น, นไีไ้พึ่งบัตดีก็น้อมมาทำทานบัตรงน้อมรักษาศีนบัตถุน้อมมา ทำสมาธิมาชอบน้องมาเจริญปัญญาทั wehr, ้งสามอย่างผู้รำตรงนี้พระเจ้าบอกว่าต่างกันโดยมีอัะเสมอกันโดยอัตถะกดเรียกว่าหมายนั้นให้เราลดโลกลดโกรธลดหลงซึ่งผู้ใดถ้าลดตรงนี้ได้แล้วเรื่องของตัวโลกลดลงมันก็พอใจตามมีดีําได้ปัญหาก็น้อย รถโกรธแล้วมอ ง, หงใหกล้ๆเห็นแต่เพื่อนๆหล่อมทุกนึกแต่แก่เกินไกลแด้วยกันมองเห็นก็กลายเป็นทางเวกแล้ ว, ว่าเออต่างคนต่างก็ทุกข์แล้วยอนเพิ่มทกุกันเลยมันนี่จะโกรธด้วยบีบเรียงทำไมแล้วลเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นทางหลงไปนไปมุกยื่มดราเล่นกันมานนั่นเที่ยเเวเป๊ะๆรู้สึกความเพอเกลินค้าลุงโจนเนี่ยมันรู้ ใ, รใจแล้วว่าไม่ทางหลงก็จะไปได้ยังไงแล้ว แต่ในโลกนี้พูดสร้างเอาเงินทองเดินทางไปทึงต่างประเทศก็มีนี่เอาเงินไปเล่นกับมันนั้นส่วนที่ได้นะั้นมันน้อยเจงจะมากอจาที่เขาเป็นบ่อนผีกฎหมายอูตสางไปลักลอบไปเล่นถุกจาบุกุงเข้ามาแค่ไหนต่างนี่ฤดุราอนนี้แพงก็แพงทุกภาพก็เสียใจก็ พมเรือนก็ยังไม่เลิกรวมคมว่าเพราะจิตหลงตัวเดียวเท่า น, นั้นก็ยังจะทำอะไรที่มันทำร้ายตัวเองเติมเตีมตัวเองแต่เรามีความรู้ตามหลักู้หธาด้ว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้เห็นตามจริงนั่นก็หมอยว่าที่ชี้แจงมาก็พอสมควรเกิเวลาเพราะว่าเวลาของเรานั้น เมื่อถึงเวลาใหม่โมงแล้วก็ถือว่าสมควรที่ต้องยุติการฟังหรือการบรรยายแล้วก็จะทำมีดีไห่ต่อก็วางไปแต่ว่าเรื่องของผู้หนังนี้เมื่อเราน้อมาเพ็นแล้วก็จะเป็นคุณธรรมที่ช่วยคุ้มครองเราให้ผลจากทุกส่งโรคไัเร็วขึ้นจนไปถึงมรรคผธานซึ่งเป็นอันว่า เมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่ไม่จะตายเราะหมดกิเลสเขาเห็นหรืบเานี้เปะะ็นอันหวังได้สำหรับชาวพุทธชั้นดีของเราเขาขอยุติการบรรยายเพียงนี้ขอความสุ ข, ขอดีไม่ท่านไหนโดยทูกถึงกันเอ